เป็นสาธารณาบัญญัติทิ่สุนีก็มีนะครับ อ, อานันติกาไม่เกี่ยวการใช้นะครับอนติกาปาสิตตียังไม่ได้ถอนใช่ไหมเข้าใจสงสัยสือความผิดมาใช้สอยต้องอธรรมทั้งนั้นก็เมื่อพิสูจอติฐานหรือสนะจีวรต้องอบอัพทุกต้องใยังไม่ได้ถอนอยู่เลยเราไม่ได้ใช้สอนแต่เราแปดติฐานก็ไม่ได้นะ หรือว่าถวายให้หลุดหุ่นไปเนี่ยก็ไม่ได้ไม่เป็นอรรมทุกกฎนะครับเช่นเดียวกันกีวอนถอนแล้วสําคัญว่ายังไม่ได้ถอนหรือมีความสงสัยมีใช้สอนต้นแทุกฎนะครับ <c oughs> อาณาบัตพิสุไม่ต้องอาบัตเนื้อถอนแล้วสําคัญว่าถอนแล้วจึงใช้สอนได้นะครับ <c oughs> ใช้สอนโดวยวิสาสั์ได้นะ <c oughs> แล้วก็และพิสุบ้าเป็นต้นก็ไม่ต้องอาบัต องค์อามสิกขาบทนี้มีองค์สามหลังนี้คือหนึ่งจีวรทรี่วิสุทธิกรรมเองยังไม่ได้ถอนนะครัสองจีวรนั้นควรแก่การที่กรรมก็ได้ยี่สิบห้าถึงห้าสิบใช่ไหมสามใช้สอยนะครับเมื่อพบองค์สามก็ต้องบัดไปปีในสิกขาบทนี้นะครับสมุทฐานเป็นต้นเหมือนกับปฐมกถินสิกขาบทอืมต่างแต่สิกขาบทนี้เป็นกิริยากิริยาอะร เอ้ผมบอกผิดจริงๆนะประถมปรถมประถมตอนแรบอกว่าสุ่มช้าสีไม่ใช่นะนั่นบอกผิดสองอันนั้นมันอัธยาศูนฐานที่จะสีที่ว่าเนี่ยก็คือกายวาจากายวาจาสิที่เทล่สองฮะอ้าวเป็นยังไงครับเป็นกิริยาก็ได้เป็นกิริยากายกิริยานี่เป็นกิริยาพ่อคือใช่สอนพอใช้สอนเป็นกายกิริยาพ่อ ไม่ได้ถอนไม่ได้ถอนอไม่ได้บอกให้เขาถอนให้ใช่ไหมครัท่านเคยมีวาจานะไอก า, การนี่ก็มาใช้สอนวาจานคือไม่ได้บอกให้เขาถอนให้หนะครับท <ừ> ่านมีจิตก็รู้ทัานรู้มานล้ตั้งใจแล้วใช้ไปนะไม่ได้บอกให้เขาถอนเดิมจบการอธิบายกับปณะสถามุขเรามันอันนก็มีเดนะี๋ยวท่าก็เราให้ได้ก อะไรนะครัเป็นนอนสัญญาวลิบอกอาจิตตะการปณสิ น, นวิชาใช่ไหมไม่ได้เป็นอุปสงค์อย่างเดียวกายกรรมก็ได้วิชกกรรมก็ได้มีจิตสามนาสามดัง น, นี้ไหลนนะถึงฝั่งได้ไหครับถึงฝัง่งไปนะ